มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้เลยถามสบายตั้งตั้งน้นั่งก็ได้ไอ่านราชการเขาเรยโยมฝึกเจริญสติก็พยายามลงสู่ชีวิตประจำวันทั้งไม่ส่วนจุลละเวลาที่ไม่ต้องคิดเรื่องการเรื่องนะไรโยก็ใช้เจริญสติในใจและร่างกาย ก็พยายามแยกในชีว so, like ิตประจำวันให้มากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่โยมยังรู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่ต้องเรียนจำตรงก็คือเรื่องของการยังติดกินแล้วก็ติดนอนซึ่งจึงแม้จะพยายามไม่สมหังกับเขาหรือใช้การพิจารณาบ้างการหนีบ้างแต่ก็ยังเป็นไปในลักษณะลงทุนทุกครั้งอ่ทครั ก็ต้องเห็นโทษของการกินการนอนมากเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นเหมือนหมูเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกินมานอนเราเกิดมาเพื่อที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี่เป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามัวแต่ติดอยู่กับการกินการนอนเราก็จะไม่มีเวลามา สร้างบุญสร้างกุศลเราก็ต้องบังคับตัวเองเช่นวันพระนี้เราก็ถือศีลแปดกินแค่เที่ยงวันเราต้องมีมาตรการต้องมีกฎตั้งกฎกติกาให้กับตัวเองไม่เชนั้นมันก็จะไหลไปตามอารมณ์อยากจะนอนก็นอนอยากจะกินก็กินดั้นเราต้องมีแผน แผนการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเหมือนตารางชั่วโมงนี้ควรจะทําอะไรชั่วโมงนี้ควรจะทําอะไรวเวลาเราไปโรงเรียนเขาก็มีตารางเรียนชั่วโมงนี้เรียนวิชานี้ชั่วโมงนี้เรียนวิชานั้นเราก็ควรที่จะมีตารางเวลาสําหรับการควบคุมการดําเนินชีวิตของเรา ให้ไปในทางที่จะเกิดเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเรามีตารางมีเวลาและเรามีความแน่วแน่ต่อตารางเวลาแล้วก็มีความพยายามที่จะเดินตามตารางเวลาที่เรากาหนดไว้เราเราก็ยังต้องมีความอดทนด้วย ใจมันอยากจะออกไปนอกรูนอกทางเดี๋ยวก็อยากจะกินเดี๋ยวก็อยากจะเล่นอยากจะนอนอยากจะทำสิ่งที่ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเราก็ต้องสู้กับความอยากเหล่านี้ด้วยความอดทนถ้าเรามีตารางเวลามีการกาหนดชัดเจนว่าเราต้องทาอะไร แล้วเรามีความแน่วแน่ต่อการทำตามตารางตามเวลาตามแผนแล้วก็มีความเพียรความพยายามมีความอดทนเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางของบุญของกุศลได้อันนี้เราต้องมาลองก ำ, กำหนดดู บุญกุศลที่เราควรจะทำเป็นประจำก็เรื่องศีลอย่างอย่างน้อยก็ต้องศีลห้าไม่ควรที่จะไปทำผิดศีลผิดอะไรแล้วถ้าอยากจะให้มันได้บุญกุศลมากขึ้นก็ถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดได้ถ้ายัางไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ลองเอาวันอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระ นี้วันพระอาจจะไม่เหมาะถ้าเราถ้าเราต้องทํางานเราก็เอาวันหยุดทํางานเป็นวันพระวันที่เราจะถือสิ้นแปดแล้ววันนั้นเราก็กําหนดเวลาให้กับการปฏิบัติให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งบุญที่เราต้องการบุญกุศลที่เราต้องการที่สําคัญก็คือสติ สติกับสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่การทำบุญทำทานก็ทำได้ตามอัธยาศัยถ้าไม่ขัดกับการมาเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าขาดก็เอาไว้ก่อนเอาบุญที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญาบุญที่เกิดจากการถือศีลแปดนี่อันนี้เป็นบุญใหญ่ ใหญ่กว่าบุญที่เราไปทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าใส่บาทบุญเหล่านั้นก็ก็สามารถหยุดได้ถ้าเรากำลังสร้างบุญที่ใหญ่กว่าเพราะบุญสองอนนี้มักจะหนึ่งใบคนละทางกันถ้าทำบุญผ้าป่ากระถิ่นมันก็จะให้เราออกไปข้างนอกออกไปสู่รูปเสียงเกนลนนรส เดี๋ยวก็ไปเจอหลงทานเจออะไรของแจกเต็มไปหมดเห็นเราเดี๋ยวก็หิว <c oughs> <c oughs> อยากกินถ้าเราอยากจะสร้างบุญที่เกิดจากความสงบนี้เราต้องเบียเราก็ต้องระ ง, งับการสร้างบุญกุศลทางด้านฐานไว้ก่อนเราต้องไปอีกทางหนึ่งไปสู่ทางที่ห่างไกลจาก แสงสีเสียงรูปเสียงกิ่นรถที่อยู่บ้านไม่ออกไปข้างนอกแล้วอยู่วัดนีไม่ไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่าการสร้างบุญสร้างกุศลจากการไปทำบุญทอดพรป่าทำบุญถวายสังฆทาน เรื่องทำบุญงานอะไรต่างๆที่ทำกันอันนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะไปทางการปฏิบัติทำได้ก็ให้ไปทางทอดพระป่าทอดกระถินถวายสังฆทานทำบุญอะไรต่างๆไปก่อนแล้วก็รักษาศีห้าไป อันนี้เป็นขั้นเริ่มแรกของผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาสนาแต่ถ้าเราได้เข้าสู่กระบวนการนี้แล้วรักษาศีลห้าได้แล้วทำบุญทาทานได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ควรที่จะขยับเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นไประดับของนักบวชระดับแรกเราเรียกนักบุญนักบุญก็ทำบุญทาทาน รักษาศีลห้าไปงานทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์งานต่างๆเหล่านี้เรียกว่า ง, งานของนักนักบุญเพื่อที่จะหลอมจิตใจให้เข้าหาความสงบแล้วพอใจเรามีมีความสามารถที่จะทำบุญรักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ คนที่จะขยับขึ้นไปสู่บุญที่สูงกว่าระดับนี้คือบุญระดับนักบวชลองรักษาศีลแปดในวันพระดูหรือวันไหนที่สะดวกบุญที่เป็นนักบวชนี้มันต้องเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำงานเพราะทำงานแล้วมันจะสวนทางกันจะได้ไม่ไม่คุ้มเหนื่อย แต่ถ้าทำได้ก็ดีถ้ารักษาศินแปดได้ในวันทำงานได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาสินห้าไปก่อนแล้วรอวันหยุดทำงาน ว, วันที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการงานวันนั้นเราก็มาเทสีนแปดควบคู่กับการมาปริกวิเวกจเจริญสติเราต้องอยู่ที่ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนใจ ไม่มีรูปเสียงเกลียนรถไม่มีคนไม่มีเรื่องราวต่างๆเช่นถ้าไปอยู่วัดที่เขาเป็นวัดปฏิบัติได้ก็ดีเขาก็จะมีที่ให้เราอยู่ให้ให้เราเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ให้ทํากิจกรรมอย่างอื่นถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นได้ก็ถือว่าเราได้ก้าวขึ้นสู่ทาขั้นสูงทําขั้นของนัก บ, บวช อันนี้เป็นเป้าหมายที่เราต้องกำหนดให้กับชีวิตของเราเองถ้าเราไม่กำหนดมันจะไม่มาทางนี้เพราะใจของเรามันถูกกระแสของกิเลสตัณหาเป็นตัวชักนําอยู่ตลอดเวลามันจะชักเราไปทางลาบยศสารเสรญชักเราไปทางรูปเสียงกล่นรสให้ไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อของต่างๆที่เราอยากจะได้ เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันอันนี้มันเป็นกระแสที่มีอยู่ดั้งเดิมในจิตใจของพวกเราเนะี่ยเราจรึงต้องมาทวนกระแสกันกระแสของมนิพานนี้เป็นกระแสที่ทวนกับกระแสของโลกของกิเลสตัณหาผู้ที่จะไปนิพพานนี่เหมือนกับต้องว่ายน้ําทวนกระแสแม่น้ํา เจ้าพญานี้มันไหลมาจากทางเหนือลงไปสู่ทะเลแต่เราไม่ต้องการไปทะเลเราต้องการขึ้นไปที่ต้นน้ำเราก็ต้องไหวทวนกระแสน้าของแม่น้าเจ้าพญากระแสยสู่พระนิพพานก็เหมือนกันกระแสะนิพพานนี้เข้าสู่ข้างในส่วนกระแสของกิเลสตัณหานี่มันจะเดิงใจให้ออกข้างนอก หนงใจให้ออกหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องใช้มาตรการที่พระเจ้าทรงสอนสองมออให้เราปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทวนกระแสเช่นถือศีลแปดนี่ก็ทวนกระแสของกิเลสตัณหาละอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ละอยากจะกินอาหารตามใจอยากก็ไม่ได้ละ กินได้ก็เฉพาะเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปะกินก็ไม่ควรจะมากกว่ามือ้อสองมือ้อกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วก็ไม่ให้ไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆให้เก็บตัวอยู่ในที่สงบอย่างที่บนเขานี่ไม่มีอะไรให้ไม่มีบันทึกไม่มีมหรัรสยไม่มีบันเทิงไม่มีอะไรต่างๆที่เรา ที่กิเลสตันหาชอบอันนี้ก็เป็นการที่เราจะปิดกั้นไม่ให้ใจเราไหลออกข้างนอกอันนี้เป็นเพียงปิดประตูเท่านั้นแต่มันยังดันอยู่มันยังไม่เข้าข้างในมันยังดันออกข้างนอกอยู่เราจะให้มันเข้าข้างในเราต้องใช้ตัวดึงเข้าตัวดึงก็คือสติเนี่ยพอเราถือศีลแปดปิดประตูไม่ให้มันออกแล้วแต่มันยังดันประตูอยู่ เราก็ต้องใช้สติดึงมันให้ดึงมันเข้าข้างในถ้าเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปควบคุมความคิดอย่าให้คิดเพราะความคิดนี้เป็นเครื่องมือของตันหาของกิเลสมันจะคิดไปในทางกิเลตันห า, างั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดไปนไปทางกิเลตันหาเราก็ต้องหยุดคิดเราก็ต้องใช้สติถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้พุทธโธสร้างสติขึ้นมา การบริกรรพุทโธนี้เป็นการสร้างสติไม่ใช่ตัวสติตัวสตินี้มันถ้ามีสติแล้วมันเพียงแต่รู้ปั๊บมันก็หยุดได้รู้ว่าหยุดต้องการจะหยุดความคิดก็หยุดได้ถ้าหยุดได้มันก็แสดงว่ามีสติถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติกันก่อน<ม>ก็ใช้พุทโธบริกรรมพุทโธไปหรือใช้การดูร่างกายไป เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอย่าให้ใจไปที่อื่นให้อยู่ที่ร่างกายไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันไปคิดอาจจะต้องใช้พุทธโธหนึ่งกลับมาก็ใช้พุทธโธช่วยก็ได้แล้วแต่เป้าหมายก็คือไม่ให้มันไปคิดถึงราบยศสารเสริญไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามันก็เกิดความอยากขึ้นมา คิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากดื่มแต่ถ้าเราแม่มันไปคิดมันก็จะไม่อยากนี่คือขั้นที่สองก็คือพอปิดประตูแล้วเราก็ต้องดึงใจให้เข้าข้างในถ้าเราไม่ดึงมันเดี๋ยวมั น, ม, นมันทะลุ ป, ประตูได้เดี๋ยวมันทําศินขาดได้มันอยากมากๆมันทนไม่ไหวเดี๋ยว เดี๋ยวเย็นนี้อดข้าวไม่ไหวเดี๋ยวหามามากินนะเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกิเลสไม่เป็นไรไม่กินเดี๋ยวตายกิเลสว่างนะผิดข้อเดียวไม่เป็นไรหรอกข้ออื่นยังรักษาอยู่มันก็จะแก้ตัวไปนั่นอย่าให้มันคิดไปถึงอาหารต้องใช้สติคอยดึงความคิดหยุดความคิด แล้ถ้าอยากให้มันเข้าข้างในเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจร่างกายไม่เคลื่อนไหวใจถึงจะหยุดได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ใจยังหยุดยังนิ่งไม่ได้นิ่งได้แต่ไม่ไม่นิ่งเต็มที่ถ้าจะไม่นิ่งเต็มที่ก็ต้องออต้องต้องดึงใจให้เข้าข้างในต้องนั่งเฉยๆ ร่างกายต้องนั่งเฉยๆเหมือนคนขับเนี่ยถ้าอยากจะหลับอยากจะหลับพักง่วงนอนนี้ก็ต้องจอดรถก่อนจอดรถปิดเครื่องแล้วก็นั่งหลับได้แต่ถ้ารถยังวิ่งอยู่ไปหลับมันมันหลับไม่ได้เพราะต้องคอยควบคุมรถร่างกายของเราก็เป็นเหมือนรถใจก็เป็นเหมือนคนขับนถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่ก็แสดงว่าใจกําลังเคลื่อนไหวไปเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว ถ้าเราต้องการให้ละใจนิ่งแล้วก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายก่อนใจก็จะนิ่งไปส่วนหนึ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังนิ่งไม่เต็มที่ยังคิดได้อยู่นั่งเฉยๆยังคิดได้อยู่ก็ใช้สติคือพุทโธหรือการดูลมหายใจเป็นตัวหยุดความคิดต่อไปถ้าเพ่งอยู่กับลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปนกันก็ได้แล้วแต่จะถนัด ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็ตกหลุมตกบ่อเข้าไปแล้วมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมันไม่ไปไหนแล้วเหมือนรถยนต์เรารู้แล้วดับเครื่องแล้วสายติดดึงเบรมือแล้วถอดเกียร์แล้วมันอยู่เฉยๆแล้วคนขับก็นอนได้แล้วจิตก็จะสงบเป็นพี่แล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ จาการได้รับประทานอาหารหรือทำอะไรต่างๆตามความอยากถ้าเราได้ถึงตรงนี้แล้วเราจะมีกำลังใจมากเราจะมีกำลังสู้กับความอยากต่างๆได้มันจะทำให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นนั่งมากขึ้นเดินโยกกลมากขึ้นจเจริญสติมากขึ้นเราก็อาจจะทำเพิ่ม ถ้ามีวันหยุดสองวันก็เอามาทั้งสองวันมาให้กับการปฏิบัติแล้วต่อไปก็อาจจะขอลดการทำงานลงก็ได้หรือเปลี่ยนงานถ้างานที่เราทำอยู่ลดปริวะปริมาณการทำงานไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนงานใหม่หางานที่เราสามารถเลือกเวลาทำได้เป็นงานคะงานที่เราทำส่วนตัว กำหนดเวลาขายตรงขายประกันขายอะไรไปลองถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเงินส่วนใหญ่นี่นเราจะหมดไปกับการซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของตามความอยากของที่จำเป็นก็มีแค่อาหารมีเครื่องดื่มที่จำเป็นน้ำอย่างเงี้ยยารักษาโรคถ้าถ้าเราไม่มีความอยาก ถ้าเรามีความสงบแล้วเนี่ยมันจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่ต้องมีเงินมากมีเงินพอซื้ออาหารวันละมือ้อ<ม>ก็อยู่ได้แล้วนอกนั้นก็ไม่ต้องซื้ออะไรนอกจากค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรจีปาถาะก็จะใช้น้อยไฟก็อาจจะไม่ใช้เลยตนอะคกอนั่งหลับตานะสมาธิไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องเปิดไฟ แล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะมีเวลาที่จะมาสร้างความสงบให้มีมากขึ้นไปได้เลยจนต่อไปเราก็อาจจะสามารถไปไปบวชไปอยู่วัดได้อย่างถาวรเพราะไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบเราให้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้เราให้มีอะไรต่างๆมากมายเต็มบ้านก็ไม่สามารถได้ความสุขแบบที่เราได้จากความสงบถ้าลองได้สัมผัสกับมันเพียงครั้งเดียวมันจะรู้วิธีแล้วแล้วมันจะ ร, รู้รู้ความสุขแบบนี้ว่าเป็นอย่างไรมันก็จะเริ่มมันก็จะรักษาศิ่งแบบมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นไปตามลําดับะ แต่เริ่มต้นนี้ตอนต้นนี้เราต้องมีการวางแผนมีวางตารางของการดำเนินชีวิตของเรา mm hmm. อย่าปล่อยให้ไปทำตามอารมณ์ถ้าปล่อยให้ทำตามอารมณ์นี้นานๆมันจะมีอารมณ์เข้าวันนานๆจะมีอารมณ์รักษาศีลทำบุญสักครั้งนึ่งเช่นวันเกิดวันอะไรสาคัญอย่างนี้มันอาจจะมีอารมณ์อยากจะทาบุญขึ้นมา แต่ถ้าวันอื่นแล้วมันจะมีอารมณ์ไปทางอื่นแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงมาคอยดึงไปด้วยแต่ถ้าเรากาหนดตารางไว้ถึงแม้จะมีเพื่อนมาชวนเราก็ไม่ไปเพราะว่าเราเรามีความแน่วแน่ต่อการการทำตามตารางเวลาที่เรากาหนดไว้เช่นวันนี้จะไปอยู่วัดเนี่ยเพื่อนจะมาโทรไปเที่ยวชวนโทรไปเที่ยวชวนไปเที่ยว ก็บอกาไปไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจจะมาวัดแล้วอันนี้เราต้องมีวางการวางแผนแล้วพยายามมีความแน่วแน่จริงใจต่อกับแผนที่เราได้กาหนดไว้แล้วก็มีความขยันมีความเพียรที่จะเดินตามแผนนั้นแล้วก็ต้องมีความอดทนต่อสู้กับผู้ที่จะมาคอยล้มแผน ก็คือความอยากของเราพอมีอะไรนิดรหน่อยมันจะพานเลยพอเจ็บตรงนู้นน่ะเจ็บตรงนี้น่ะมันจะเริ่มพานทันทีพอร้อนหน่อยหรือหนาวหน่อยมันก็จะพานทันทีมันจะหาเรื่องออหาเหตุเล็กๆน้อยๆที่จะมาทําให้ล้มเลิกความตั้งใจอันดีเวลาตั้งใจนี่โอ้ตั้งใจดีแต่พอเวลาจะทํานี่ไม่รู้มันหายไปไหน อย่างตอนปีใหม่วันขึ้นปีใหม่นี้ตั้งใจกันจะทำนู่นทานี่กันปีนี้จะทำอย่างนู้นจะทาอย่างนี้กัน <c oughs> พอถึงเวลาหายไปไหนไม่รู้มีแต่ความตั้งใจแต่ไม่มีการทำกระทำตามความตั้งใจแต่ถ้าเรามีความจริงใจเรามีความพยายามมีความอดทนเราก็จะทำมันไป ยากลำบากไงเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องทำมันไปไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่จะตัดสรู้ก็ต้องวางแผนว่าจะนั่งตรงนี้แหละนั่งที่ใต้โคนต้นโพนี้จนกว่าจะบรรลุจะตัดสรู้ถ้ายังไม่บรรลุยังไม่ตัดสัรู้ก็จะไม่ลุกจากที่นี้ไปต่อให้ เลือดในร่างกายมันเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันแห้งไปคือยอมตายแต่จะไม่ลุกจากที่นี้ไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละมันจึงทำให้พระพุทเจ้าสามารถที่จะตัดส้รู้ได้ของเหล่านี้มีในตัวพวกเราทุกคนอยู่ที่พวกเราไม่เอามาใช้กัน เราไม่เอาความตั้งใจมาใช้กันเราไม่เอาความจริงใจมาใช้กันเราไม่เอาความเพียนมาใช้กันเราไม่เอาความอดกันเอาความอ่อนแอมาใช้กันมันก็เลยทําอะไรไม่สําเร็จตั้งใจอะไรว่าเดี๋ยวก็ล้มละเนรแลนาคไนี่คงจะได้ข้อคิดไปนะต้อง เราต้องเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะมากาหนดชน า, าชีวิตของเราได้ถ้าเราปล่อยให้ไปตามยถ า, ากรรมมันก็จะไปวนไปเวียนมาอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดไปสามวันดีสี่วันไข่แต่วันดีจะมีน้อยจะมีแต่วันไข้ยเยอะ วันจะมาวัดมารักษาศีลมาทําบุญมาปฏิบัติธรรมนี้น้อยพระพุทธเจ้าฉลาดทั้งกันเลยเอาแค่วันหนึ่งก่อนก็เลยอาทิตย์หนึ่งขอให้วันหนึ่งก็ยังดีขนาดวันหนึ่งยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าบางคนนี้ขอเข้าวัดแค่ปีละวันก็พอวันปีใหม่หรือวันเกิดวันหนึ่งก็ไม่ขอเข้าเลย การเข้าวัดมันมีประโยชน์หลายอย่างถ้าเรายังไม่รู้เรื่องเราก็จะได้รู้เรื่องเข้าวัดเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมกันได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่รู้กันเรื่องราวของเราเองเนี่แหละเรื่องของความสุขความทุกข์ของเราว่าเราสุขอย่างไรทุกอย่างรเรื่องราวของบุญของกรรมของบาปที่เราทากันว่ามีผลอย่างไร ต่อไปเราจะต้องไปเป็นอะไรของพวกนี้ถ้าเราไม่มาวัดเราจะไม่รู้กันถ้าเรามาแล้วเรารู้ว่าถ้าเราทำนี้แล้วเราจะได้อย่างนั้นถ้าเราไม่ชอบอย่างนั้นเราก็อยากไปทำถ้าเราทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนั้นที่เราชอบเราก็ทำมันของทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุผลเกิดจากเหตุผู้ที่สร้างเหตุก็คือเราผู้ที่รับผลก็คือเรา ทำบุญก็ได้รับความสุขใจทาบาปก็ได้รับความ mm hmm. ทุกข์ใจมันเห็นชัดชัดอยู่ mm hmm. สิ่งที่เห็นไม่ชัดก็คือหลังจากที่ตายไปแล้วยังมีผลต่อถ้าทาบุญก็ไปสวรรค์ mm hmm. ทาบาปก็ไปนรก mm hmm. อันนี้เรามองไม่เห็น mm hmm. แต่เห็นชัดในในใจตอนนี้ทาบุญแล้วเราสบายใจสุขใจ ทำบาปแล้วเราไม่สบายใจทุกข์ใจร้อนใจความทุกข์ใจร้อนใจนี่ก็คือนรกนี่ส่วนความสุขใจเย็นใจสบายใจก็คือสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพหรือภูเก็ตนี่มันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในหวานบันหนนายไร้ก็ทำบาปใจก็ตกนรก มันขึ้นๆลงๆไปเพราะเรายังมีการกระทาได้แต่พอตายแล้วเราไม่มีการกระทำแล้วทีนี้ถ้ามันทุกข์มันก็จะทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดแรงถ้ามันสุขมันก็จะสุขไปจนกว่ามันจะหมดแรงแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราทำบุญมันก็สุขพอเราไปทำบาปมันก็ทุกข์แล้วบุญกับบาปที่เราทำมันก็จะสะสมไว้พอถึงเวลาเราตาย มันก็จะมาแย่งเอาใจเราไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะให้ความทุกข์กับเราก่อนถ้าบุญมีความมีกำลังมากกว่ามันก็จะให้ความสุ ข, ขกับเราไปก่อน <c oughs> ถ้าเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นอบายเป็นนรก <c oughs> นี่ก็สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เวลาที่เรามาวัดเพื่อเราจะได้อ่า สามารถที่จะเลือกทางไปได้เราต้องการความสุขล้วก็ทำบุญทาความดีถ้าเราต้องการความทุกข์เราก็ไปทำบาปกัน <c oughs> วันนี้เราก็มา <c oughs> เราก็มาฟังวิธีทำบุญกันบุญก็มีสองระดับระดับนักบุญก็เนี่ยทำทานบริจาคเข้าของเงินทองสิ่งของรักษาศีลห้าไป ใจก็จะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์ตายไปก็ไปสวรรค์แต่ถ้าเราอยากจะได้บุญขั้นสูงขั้นไม่ขั้ น, ข, นขั้นมรรคผลนิพพานขั้นของพระอริยเจ้าเราก็ต้องมารักษาศีนแปดแล้วก็มาเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดทำใจให้สงบหยุดความอยากต่า ง, งใจก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้าอยากการทําบุญทําทานนี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อเพราะเป็นความสุขเป็นบุญเป็นความสุขชั่วคราว <c oughs> ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเป็นบุญของนักบวช มีอยู่สองระดับงั้นวันนี้อาว่ามา อ, าอามันมันมีป็นสามสามแบสามตัวหูใช่ไหมครับอ่ น, นี้มันมีความหนักเบาหรือเปล่าว่าเราจะต้องเลือกตัวไหนก่อนก็แต่ละคนมันก็มีความอยากไม่เหมือนกันไงอยากอย่างไห น, นคือจะตัวไหนมันมาก็ต้องเอาตัวนั้นก่อนแหละอื ย, อย่างเย็น สูแ้แค่ไอตัวกามตัดหานี่ก็ก็กวันนี้ถ้าถือสินแปะก็เดี๋ยวก็ต้องสู้กับความอยากกินข้าวเย็นแล้วอะอยากดูหนังฟังเพลงแล้วล่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะอยากจะกำนัดกําจัดตัวไหนแล้วก็กําจัดมันไปถ้าตัวไม่อยากมีไม่อยากเป็นมาก็ไปสู้ตัวนั้นก่อนอ่าใช่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเจ็บเงี้ยอยากให้มันหายนี่ก็ ความอยากความอยากไม่เจ็บอยากให้มันหายเจ็บนี่ก็เป็นตัณหาความอยากที่จะทำให้เราเครียดให้เราทุกข์ใจเราก็ต้องทำใจว่าความเจ็บนี่เราไปบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลามันเจ็บก็ดูแลไปมียากินก็กินไปหายหรือไม่หายเราก็ต้องอย่าไปอยากนั่เราก็จะไม่ทรมานใจ ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันยังไม่หายมันเราก็จะทรามานใจอืแต่เราจะไปตั้งเป้าว่าจะเอาชนะการมาตามังหาก่อนแล้วค่อยไปไปสู้กับอวิพากษ์ตัณหาก็เราพละตัณหาที่หลังได้ไหมก็มันก็ทําไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าบางทีมันมันไม่ได้เดินเข้าคิวมาเป็นตามเวลาตามตารางที่เรากําหนดตัวไหนเอโผล่มาก็ต้องฆ่ามันตัวนั้น อ, อนนนะ เมื่เราไปทำสงครามนี่เราจะไปเลือกยิงคนนั้นก่อนแล้วค่อยยิงคนนี้ได้ไหมไ ม, มันคนน่อนข้ายากกว่าอาจจะหมายว่าเราอย่ายงเงี้ยเหมือนแคว่าถ้าเราเราเหมือนตัวตนเราตัวเกิดแล้วว่าเ<อ>่าสู้ไม่ได้จะต้องมาก็นั่นเสงอันนี้ก็เป็นเสียงแต่แตรเราเห็นว่าอมไม่ไม่ไปกินไม่เที่ยวไม่อะไรนี่ไม่มีปัอ่าตัวไหนไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลกเลยไปต่อตั้งเป้าตัวนี้ก่อนแล้วอก็เอาตัวที่มันมีปัญหาไง ตัวที่ไม่มีปัญหาก็แสดงว่ามันมันไม่เป็นปัญหามันไม่ได้ทําให้เราทุกข์ที่เราปฏิบัตินี่เพื่อกําจัดความไม่สบายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรามันอาจจะยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีมันอยู่เรื่อยๆก็ได้ต้องเราเราไม่มีมันดูเลยถ้าเรามีข้าวกินทุกวันมันกม็มีปัญหาอยากจะกินข้าวก็ลองอดดู ลองอดข้าวดูแล้วดูที่จะมีปัญหากับการอยากกินข้าวนะอันนี้ก็ <c oughs> ของบางอย่างเรามีอยู่กินอยู่ทุกวันมันก็ไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อตอนที่ไม่มีกินอย่างเดิมกาแฟเนี่ยถ้ามีกาแฟดื่มทั้งวันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ยามันเป็นปัญหาก็ให้เวลากาแฟหมดอย่าไปซื้อมันมาเลยอย่าไปเพิ่มมันมาดูที่จะเป็นปัญหาหม ถ้าเป็นปัญหาก็ต้องใช้ใช้การปฏิบัติแก้มันก็ต้องหยุดความอยากกินกาแฟไปถ้าหยุดได้ต่อไปมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็ไม่ไม่สำคัญแล้วไม่เป็นปัญหามีก็ดื่ไม่มีก็ไม่ดื่มอย่างนี้ก็ได้นี่บางทีคนบางคนยังไม่ได้บีบคั้นจิตใจก็เลยคิดว่าโอ้ยเราบรรลุแล้วเราไม่มีปัญหากับอะไร ก็เพราะเรามีทุกอย่างที่เราต้องการมันก็จะไม่มีปัญหาเราก็ต้องลองอยู่แบบที่แบบอยู่กับสิ่งที่เราไม่มีดูสิดูว่ามันจะมีปัญหาไหมเช่นเราทุกวันลองเราลองเราให้เงินหรือเก็บเงินไว้ไม่ใช้เงินดูอยู่แบบไม่ใช้เงินดูเช่นดูจะมีปัญหาไหมมันต้อง ต้องสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสันรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องทําแต่ในปัจจุบันเรายังไม่ได้มีสร้างสร้างเหตุการณ์เพื่อมาบีบคั้นคือไม่ได้สร้างข้อสอบเราก็เอาข้อสอบที่มันมาในชีวิตประจําวันเราไปก่อน อยู่กับแฟนเดี๋ยวทะเละกับแฟนนี่ไปโกรธแฟนไหมหรือไม่โกรธ<ม>เขาชอบพางคำพเลาที่เจอปหาก็จะบอกว่าจะซ่อมเป็นปมรอกได้ไงก็จบเลยนั่นแหละเอาเอาปัญหาที่มันมันมันเกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันไปก่อน ทั้งหมดมันก็เกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อยากรูปเสียงกลิ่น้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราต้องหยุดแล้วทําใจเฉยๆนั่นเองรูปเสียงเกินแล้วก็ไม่อยากะจะให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ก็เฉยๆเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ก็เฉยๆเขาจะเป็นก็เรื่องของเขา ใจไปอยากให้เขาไม่เป็นหรือก็ไม่เป็นก็อยากจะให้เขาเป็นเี่มันก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาวิธีที่จะทําให้ใจเราเฉยๆได้ก็ต้องฝึกทําสมาธิมากๆเพราะถ้าจิตรวมลงสู่อัปปนาแล้วมันจะเฉยมันจะเป็นอุเบกขามันจะเฉยเฉยจริงๆแล้วเวลาออกมามันจะสามารถรู้วิธีทําใจให้เฉยได้ มันง่ายจะตายไปเฉยไม่ต้องทำอะไรแต่เรามันเคยถนัดกับการทำนู่นทานี่ถนัดกับความรักความชังความกลัวความหลงพอใช้เฉยๆทาไม่เป็นอย่าตอนนี้เรานั่งเนี่ก็นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรหัดให้มันเฉยวิธีใช้มันเฉยก็ต้องใช้สติควบคุมความคิดอย่า้มันคิด คือมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาในการดับทุกข์ครับดับกิเลสทั้งหลายเลแต่บางครั้งเนี่ยบางทีพวกสัตว์โดยสานบางชนที่ไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้ด้วยตั้มตัวเองว่าตัวเองมีทุกข์กยกตัญอาเช่นไส้เดือนถ้าเกิดอยู่ในดินก็มีสารอาหารกินอยู่ตลอดเวลา<อ>ถ้าเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ตรงนั้นงั้ภาวะเขาเหมือนไร้ทุกข์เหมือนเหมือนดับมันทุกข์มันไม่มีแล้ว่แต่ในขณะเราเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการดับทุกข์นี่ภาวะของงานนี้มันต่างกันยั ง, ยงไงครับ เขาก็มีเขาก็ต้องหาขากินของเขาตรงไหนไม่มีน้ำมันไส้เดือนมันก็ต้องโผล่มาจากดินแล้วก็มาตายหน้าฝนนี่ไส้เดือนมันก็อยู่ในดินได้มันนิ่มมีน้ำมีอาหารแต่พอปลายฤดูฝนนี่ไส้เดือนมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมาตายกันมันก็มีความทุกข์มันก็ยังต้องหาอาหารกินอยู่มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับร่างกายของเรา มีเหมือนกันเองแต่ว่ามันมันไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มันก็อยู่กับไปอยู่กับความทุกข์ไปจนกว่ามันจะตายจนกว่ามันจะหมดกรรมแล้วมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราพวกเราก็อาจจะเคยเป็นไส้เดือนมาก่อนก็ได้เคยเป็นแมวเคยเป็นอะไรแล้วแต่กรรมที่เราทำกันไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติมันก็จะส่งให้เราไป ใจของเรานี่เหมือนกับใจของไสเดือนมีความอยากเหมือนกันทุกแบบเดียวกันทุกกับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทุกกับความอยากไม่ไม่หิวอยากอยากอยา ก, อยากจะมีอาหารกินเวลาไม่มีอาหารกินมันก็ทุกเหมือนกันไม่ต่างกันหรอก <c oughs> แล้วมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ถ้าไม่ได้มาเจอศาสนาก็เหมือนกับเดรชาเนี่ย ทุกวันนี้มนุษย์ส่วนอย่างนี้ก็อยู่กันแบบเดรัจฉานอยู่แบบฆ่ากันพันกันแก่งแย่งชิงดีกันอก็เหมือนกับเดรัจฉานมันก็แย่งกันฆ่ากันตัวสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยออมีแต่พวกที่มีศาสนานะที่เขาสอนให้เป็นมนุษย์การจะเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลห้า มนุษย์นี้จะมีปัญญาพอที่จะแยกแยะพอที่จะรู้ว่าทําอะไรแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเพราะสิ่งใดที่เราไม่ชอบสิ่งนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเช่นไปตบตีเขาเขาไม่เราไม่เรารู้เราไม่ชอบถ้าไปตีเขาเราก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาก็ทุกข์เราก็ไม่ควรไปตบตีเขาไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนผู้ อันนี้เราอาศัยศาสนาสอนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กขึ้นมานี่เราโตขึ้นมาก็มีศาสนาคอยถอนเราให้รักษาศีลห้า ก, กันแต่คนที่ไม่มีศาสนาเขาก็บางทีเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้หรือไม่มีศีลกันเขาก็ฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาก็าถือว่าเป็นเป็นการครองชีพของเขาการนารงชีพของเขา ม, ม, มันก็เหมือนเหมือนก็เหมือนเดรชาญเดรชานเขาก็เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเป็นการนำลงชีพ ข, ของของเขาสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอย่างนี้ก็เหมือนกันถึงแม้จะมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่ใจก็เป็นเดรฉ า, านใจของผู้ที่เป็นมนุษย์ก็คือใจผู้ที่รู้รู้ว่ามนุษย์นี้ต้องไม่เบียดเบียนกันต้องไม่ฆ่ากันไม่ลักทรัพย์ของกันละกันไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่โกหกหลอกลวง <Yeah. S 1> ไม่ดื่มสุราอยา่างเมาถ้าสามารถรักษาศีลห้าข้อนี้ได้เราก็เป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> แล้วถ้าจะเป็นเทวดาเราก็ต้องรู้ว่า <Yeah. S 1> การให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำให้เรามีความสุข <Yeah. S 1> และผู้อื่นเขาก็มีความสุข <Yeah. S 1> การช่วยเหลือผู้อื่น <Yeah. S 1> การแบ่งปันเข้าของ <Yeah. S 1> เงินทองสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้อื่น เรว่าการทาบุญทำทานมันก็จะยกระดับจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาอันนี้ก็ต้องอาศัยมีศาสนามาสอนศาสนาบางศาสนาก็สอนได้ถึงระดับพรหมมีศาสนาพูทนี้สอนระดับมรรคผลนิพพานระดับที่สูงกว่าเป็นระดับที่จะทำให้ผู้ได้บาเพ็ญถึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงปัญญานี่ก็ปัญญาคือความรู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรทำแล้วเราจะได้รับผลอะไรจากการกระทาเหล่านี้ถ้าไม่มีศาสนาไม่มีนักปราชญ์ที่มาก่อตั้งศาสนาพวกเรานี้ก็จะไม่รู้กันพวกเราก็จะอยู่กันแบบเดรัจฉานที่ไหนที่ไม่มีศาสนาสังเกตดูที่นั่นก็จะมีแต่ อยู่กันแบบเดรัชานกันหรือมีศาสนาแต่ก็ไม่ไม่เชื่อฟังคำสอนศาสนาหรือบิดเบียนคำสอนของศาสนาไปศาสนาทุกศาสนาก็สอนไม่ให้ฆ่ากันหรอกแต่มันก็มาบิดเบียนว่าฆ่าได้ฆ่าเพื่อปกป้องรักษาศาสนานมันบิดเบือนแต่พุทธศาสนานี้ไม่ไม่สอนให้มาฆ่ากันเพื่อรักษาศาสนาถือว่าบาปทั้งนั้น การฆ่ากันไม่ว่าจะฆ่าด้วยเหตุผลกั น, นกลไกรายนี่บาปทั้งนั้น คนเหล่านี้มันมีสองส่วนคนะือมีร่างกายกับใจเนะี่ใจนี้เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาใจเหมือนความว่างที่อยู่ตรงเนี้เราเห็นความว่างอยู่ระหว่างเราไหมนเนี่ยอากาศรอบตัวตรเราเนี่ยแตมันไม่มีรูปไม่มีร่าง มันมีแต่ความรู้สึกนึกคิดคือใจของเราที่เรารู้สึกอะไรนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้รู้สึกใจเป็นผู้รู้สึกใจทําอะไรแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจใจทําบุญก็เกิดความสุขใจใจทําบาปก็เกิดความทุกข์ใจพอร่างกายตายไปถ้าใจทําบุญใจก็จะมีความสุขใจนั้นก็เป็นสวรรค์อยู่บนสวรรค์ถ้าใจนั้น ทำบาปเวลาร่างกายตายไปใจนั้นก็จะทุกข์ก็เรียกว่าใจเป็นนรกมันไม่ได้เป็นสถานที่ไงใจมันไม่มีรูปร่างเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีสถานที่ที่ตั้งของใจเราก็เรียกว่าที่อยู่ของใจเป็นโลกทิพย์โลกทิพย์เหมือนกับโลกที่เราเวลานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายทำอะไรใช่ แต่เรายังไปเที่ยวได้ใช่ไหมเวลาเราฝันเนี่ยฝันแล้วเราไปที่นูน่นที่นี่กินไ น, น, น, น้นู่นกินไดนี่ดูได้นั่นดูไอ้นี่หรือฝันว่าไปเจอการหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจเนี่ยถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็เป็นนรกเป็นอบายอาจจะฝันว่าไปเป็นเดราจฉานถูกเขาคอยไล่กัดกินอะไรอย่างนี้ไป อันนี้คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะมาเจอกันอีกทีก็ต่อเมื่อมาพอพอมาได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เนี่ยก็มาเจอกันแต่จะเคยเจอกันมาก่อนหรือไม่ไม่รู้อย่างแม่กับลูกเราเนี่ยสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าก็จำไม่ได้อาจจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้อาจจะไม่เคยเจอกันก็ได้แต่จะเจอไม่เจอทุกคนก็เหมือนฝาแฝดทุกคนเหมือนกัน ใจทุกคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันมีความรับความชางังความกลัวความหลงเหมือนกันนั้นจะถือว่าเจอฝาแฝดก็ได้อาจจะต่างกันตรงที่นิสัยใจคอไม่เหมือนกันอาจจะอาจจะเป็นคนใจดีบางคนก็อาจจะเป็นคนใจร้ายบางคนก็ชอบทํานูน่ทนทานี่ไม่ชอบทาไม่นู่นทาไม่นี่ นี่คือใจของแต่ละคนมันจะเป็นอย่างนี้เนเวลาเรามาเกิดเราก็จะมาเจอกันถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเดราจฉานเราก็จะไม่ได้เจอกันหรือถ้าเจอเราก็ต้องมีพลังจิตเราถึงจะเจอกันได้อย่างพระพุทธเจ้านี่สามารถไปเจอแม่ได้แม่พระพุทธเจ้าตายไปตั้งยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีพระพุทธเจ้าค่อยสําเร็จค่อยมีพลังจิต พระพุทธเจ้าก็เลยส่งกระแสจิตไปหาแม่ซึ่งดังนั้นไม่มีร่างกายมีแต่มีแต่จิตสามารถติดต่อกันได้จิตกับจิตนี้ติดต่อกันได้พระพุทธเจ้ามีเทวดามามาฟังเทศฟังธรรมทุกคืนฉั <c oughs> ้นจิตนี้ไม่ตายจิตของคุณย่าคุณยายหรือคุณทวดนี้ไม่ตายก็ไปรับผลบุญผลบาป แล้วก็พอพอถึงเวลาก็มาได้ร่างกายมนุษย์ใหม่ที่จะมาได้ร่างกายที่ไหนไม่รู้อาจจะไปได้ร่างที่อเมริกาหรือไปได้ร่างกายที่แอฟริกาหรืออาจจะไปได้ร่างของนกของแมวมันแล้วแต่บุญกรรมที่ทำไว้มันจะเป็นตัวส่งไปเข้าใจยัง อย่างนี้เราก็มาได้ร่างกายอนี้คราวนี้ก็เลยได้มาพบกับแม่คนนี้แต่ก่อนที่เราตายมานี่เราก็ทิ้งแม่คนเก่าฮะหรือทิ้งลูกคนเก่าฮะลูกที่เราอยู่ในชาติก่อนนี่พ่อแม่ในชาติก่อนเราก็จากเข้ามาแล้วเราก็มาได้พ่อแม่ใหม่ในชาตินี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ได้แฟนได้ลูกมันก็ได้กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจจะ อาจจะเจอกันบ้างก็ได้เพราะเรามาเกิดเป็นล้านชาติเนี่ยโอกาสที่จะมาเจอกันก็ได้เพียงแต่จํากันไม่ได้ทนั้นเองใช่ไหมพอจะเข้าใจหรือยังแต่ไม่สําคัญจะเจอใครไม่เจอใครเนี่ยไม่ได้ทําให้เราสุขให้เราทุกข์มากกับการกระทําของเราดังนั้นขอให้เราดูที่การกระทําของเราดีกว่า ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็อย่าไปทำบาปทำแต่บุญทำแต่ความดีแล้วเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไปทำบาปทำไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์เนี่ยเร่อทำผิดศีลเนี่ยห้าข้อนี้อย่าไปทำถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์พยายามรักษาศีลให้ได้แล้วถ้าอยากจะมีความสุขมากขึ้นกว่า น, นี้ก็รักษาศีลแปดความทุกข์จะน้อยลงไป ความทุกข์ของศีลห้ายังมีอยู่เพราะยังมีแฟนได้ศีลห้า น, นี้เขาห้ามไม่ให้ก็ไม่ห้ามให้มีแฟนมีสามีมีภรรยาได้แต่เดี๋ยวต้องทุกข์กับสามีกับภรรยาเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็ต้องทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวสามีแอบไปมีอีหนูก็เสียใจอีกทุกข์อีกแต่ถ้าคนถือศีลแปดก็มีสามีไม่ได้มีภรรยาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องการมีสามีหรือภรรยา การมีอะไรนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันเรากลับไปคิดว่าเป็นความสุขมันเหมือนเหรียญสองด้านเนี่ยเหรียญมันมีทั้งมีทั้งหัวทั้งก้อยสิ่งต่างๆที่เราได้มามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่เราชอบไปมองด้านเดียวมองด้านสุขแล้วพอมันพลิกกลับมาเป็นด้านทุกข์ก็ก็โหยโวยวายทำไมต้องอย่าร้างกันถ้าเป็นความสุขใช่ไห ถ้าแต่งงานกันแล้วมันเป็นความสุขทําไมต้องมาหยากันก็เพราะมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่หยากันก็เกิดตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยคนที่มีปัญญาเขาก็จะเห็นว่ารักษาศีลห้านี้สู้รักษาศีลแปดไม่ได้รักษาศีลแปดนี้จะห้ามแม่เราไม่ให้มีอะไรมากเ<ะ>มื่อไม่ไม่มีมากทุกข์ก็ไม่มากมีมากทุกข์ก็มาก เพราะว่าเราไม่มีมีอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการสูญเสียมีการพัดพาคจากกันในที่สุดยิ่งรวยยิ่งทุกข์เข้าใจไหมเพราะเวลาตายเวลาต้องจากเงินทองไปนอกจากนอกจากทำบุญทำทานได้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าหวงเงินหวงทองนีเวลาตายอยากเงินทองนี่ทุกข์ไมเสียดายมหมยิ่งมีเป็นร้อยล้านพันล้านนี่เสียดายไม่รู้จะให้ใครไม่อยากให้ใคร อยากจะใช้อยากจะเก็บไว้คนเดียวอาจจะต้องกลับมาเป็นตุ๊กแกในบ้านเป็นหมาในบ้านก็ได้ในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีเรื่องเศรษฐีเศรษฐีหัวงเงินรักเงินหาเงินมาได้เท่าไหร่ไม่บอกลูกหลานเอาไปฝังดินหมดไม่อยากจะให้ใครแล้วพอตายไปก็ความรักความห่วงเงินทองก็เลยทำให้มันเกิดเป็นหมาในบ้าน พอดีพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านมาเห็นหมาตัวนี้ก็รู้ว่าวิญญาณของหมาตัวนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็เลยบอกลูกของของเศรษฐีเนี่ยว่าไอหมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดนะเลี้ยงมันให้ดีอย่าให้มันหายไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปจริงเพราะมันจำได้ว่าที่ฝังงินไว้ตรงไหนบ้าง ลูกก็เลยดีใจโอ้เคารพพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่แหละเกิดใจเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยร่างกายนี้เหมือนเสื้อผ้าก็ใช่ไหมเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราแต่ร่างกายก็ตัวตัวเก่าใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ชุดไทยเดี๋ยวเราใส่ชุดฝรั่งใส่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วใจเราก็เปลี่ยนร่างกายเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเลขาชานเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นมนุษย์ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอํานาจของบุญของบาปที่เราทํากันมาง <c oughs> นั้นขอให้เราเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเ <c oughs> ชื่อว่าเราสามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเบื่อกับการที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บตัดมาตายแล้ว เพาทุกครั้งที่แก่ที่เจ็บที่ตายเนี่มันไม่สนุกหรอกใช่ไหมมีใครอยากแก่ไหมมีใครอยากเจ็บไหมมีใครอยากตายไหมแต่เมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนดังั้นถ้าไม่อยากจะมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็อยากกลับมาเกิดกันวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติตัดความอยากต่างๆไม่ให้มีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไร ถ้ามีอะไรก็แสดงว่ายังติดอยู่ยังต้องกลับมาหามันอยู่ต้องอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรากยศเสริเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเราเอาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีกว่าเพราะความสงบนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ความสงบนี้อยู่ที่พระนิพพานถ้าเราได้ความสงบนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้ต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานแทน นี่คือเรื่องที่เรามาปฏิบัติกันมาศึกษากันเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ลกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆการตนการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก่อนในการรักษาศี่ห้าแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปเป็นเทวดาก็ทําบุญมีข้าวของเงินทองอะไรก็อย่าเอามาใช้กับตัวเองเอาไปให้คนอื่นบ้างเราพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วเอามาทําบุญดีกว่าแล้วใจเราจะเป็นเทวดา แล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเทวดาเราก็มาถือศีลแปดกันนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็จะไปเป็นพรหมแล้วถ้าตัดความอยากต่างๆที่มีในใจได้ก็ไปเป็นพระอริยะเจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอาหารกันนี่คือเรื่องของใจที่เราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้โดยที่เราไม่รู้กันว่าใจของเรานี่สามารถขึ้นไปสูงแบบพระพุทธเจ้าได้กันทุกคน ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาก็เราก็จะไม่มีแผนที่บอกทางเราก็จะไปตามอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราก็สามันดีสี่เป็นไข้ยะาถาไปตามยาถากรรมวันไหนอยากจะทําบุญก็ทําวันไหนอยากจะทําบาปก็ทํามันก็เลยทําให้เราวนไปเวียนมาอยู่ในภพต่างๆเลยบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ลงต่ำํำแต่ก็จะทําเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนวิธีให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโดยการตัดความอยากทั้งสามประการเนี่ยที่เมื่อกี้ถามถึงเนี่ยการมาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องตัดไปให้หมด มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปใครจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปอย่าไปยุ่งกับเขานั่งกายมันจะแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บไป ถ, ถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมเพราะ <x 2> <x 2> เราไม่มีบุอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนใกล้ตัวเรานี่แหมมันสร้างความทุกข์ให้เราอยู่เรื่อยเดี๋ยวยงงมันก็ทําอย่างนู้นเดี๋ยวมันก็ทําอย่างนี้พอเห็นมันเราก็อดอยากไม่ได้ ก็แหละทําไมไม่มองเขาเหมือนกันเรามองคนที่เราไม่รู้จักแล้วเราจะสบายคนที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์กับเขาเลยใช่ไหมเขาจะดีจะช่วยงไงเขาจะอดอยากขาดแคลนเขาจะเจ็บ่ายได้ป่วยหรือเขาจะร่ำเขาจะรวยมันขึ้นอยูงของเขาอเราไม่เห็นไม่ทุกข์กับเขาเลยแต่พอคนที่เรารู้จักขึ้นมานี่แหมอดไม่ได้หวังดีหวังดีแต่ปผสมลายกับตัวเองไม่รู้ตึกตัว <laughs> แล้วก็ไปผสมลายกับคนอื่นด้วย <laughs> เขาก็เบื่อลาคานเรา ไว้หวังดีกัอเขาเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เพราะอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่อยากเป็นเราก็ไม่ได้ตามใจอยากเขาก็ไม่ทำตามที่เราอยากเขาก็ทุกข์ทุกข์เพราะความลำคาญที่ต้องมีคนมาคอยเป็นเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้แล้วประโยชน์จะ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรับประกันได้จิตใจจะดีขึ้นสูงขึ้นพัฒนาไปเรื่อยจากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าไปสู่พระนิพพานในที่สุด <c oughs> การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโจติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตผวะตวันตารายุสุขีทีคายุโกผวะอะพิวะธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรมมวะทานติอายุวันโสุขังภาลัง เจ็ดวันเจ็ดวันตามนี้เรก็ดีสาธุสาธ้วดีไหมดีมากขอบคุณมากค่ะที่มีมาตักหลับได้นนอนเสร็จกับได้เขอบคุณแล้วก็แสดงคาประทที่บ่ี่ทขอบคุณพระพุทธเจ้าดีปะ่อพระเจ้าขอบพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลานั่ง สมาธินี่เกินกำลังได้ไหมไม่ไม่ควร่ะเพราะถ้าเกินมันเดี๋ยวก็จะเกินอยู่เรื่อยๆปล่อยมันไหลไปมันไม่ไหลหรอกเพียงแต่เราไปสนใจมันมันก็เลยไม่ต้องไปสนใจมันเราพูดโธพูดโทไปดูลมไปจะดีกว่าถ้าไปห่วงกับไปดูน้ําลายเดี๋ยมันก็จะคอยเกินอยู่เรื่อยแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ไม่ได้ภาวนาไม่ใจไม่สงบไม่นิ่งนั่งนึ่งละดับนึ่งแล้วก็ตรงบริเวณหน้าผากมันจะเป็นเราไม่ต้องไปสนใจไหม ให้อยู่กับพุทโธไปเราใช้อะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นไปให้มันไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่ออย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจเป็นของปลอมของไม่มีประโยชน์อะไรแออให้มันตกหลุมตกบ่อแล้วมันเบาอกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เอาตรงนั้นถ้ายังไม่ไปถึงตรงนั้นกับพุทโธไปดูลมไปอย่างเดียวอย่าหยุดขอบคุณค่ะนี่ะถามยค่ะได้ ดูทาง u t u b e ก็ได้ยูทางเ c e b o o k ก็ได้ส่งข้อความเข้าขมาก็ได้ที่ยืนอยู่นั้นมีอะไรหรือเปล่าอยากจะเข้ามาป่าจ ะ, ะยืนเฉยๆนะยืนฟังอ๋อที่ว่ามีธุระอะไรวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook Facebook 338ครับทางยูทูบหกสิบสามหกสิมมีคำถามเข้ามาอย่าง เข้าใครับเดี๋ยวก่อนกรณีที่คนข้ามาปฏิบัติในวัดนะครับสมมติว่ามีนิสมีนิสัยเก่าที่ติดไอ้ออกกลับมาก็เพื่มมาปฏิบัติแล้วก็เ้าหะให้ใ ห, ให้ให้โอกาสาก็กลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่ไงครับคือในกรณีที่เป็นพระนะครับควจะให้โอกาสแล้วซําแล้วซ้าอีกอยิบเรื่อยๆไหมหรือว่าคือคือการที่เป็นพระเนี่ยมคงเลือก เมนเอเลือกฆราวาสไม่ได้ทุกท่านที่แบบฆราวาที่แบบขอโอกาสแล้วก็ยังกลับมาเป็นอีกคนให้โอกาสไคครับอันนี้คออือเป็นอะไรเป็นอะไรหมายถึงว่าเขาเป็นอะไรก็ต้องให้โอกาสก็ยังไงให้โอกาสเปนเพราคนที่เคยติดแล้าติดแล้วแล้วเข้ามาขอโอกาสอะไรจังห<ช>วะเขาขาับมาัเป็นอีกบัดนอ่าก็ยังไม่หายก็ก็ต้องกลับมาใหม่เลยเลยทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายอ่าก็คือต้องให้เขไปเรื่อยๆวาจ ให้อะไรลนะ่ะให้โอกาสเขไปเรื่อยๆมันเองเขาจะขอบวชนี่แหละไม่บวชกระปงบวชกระปงยังให้ไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าใครก็แบบถ้าเขาจะมาขออยู่ที่วัดเรื่องงานไปเรื่อยๆเลยทั้งการก็อยู่ไปเลยถ้าก็เวลาช่วงนี้อยู่วัดเขาก็ไม่ดื่มเล่าไม่ใช่เหรอมีบ้า น, ม, าน ม, มีก็ไม่ได้เลยถ้ามาอยู่ก็ต้องไม่ดื่มถ้ามาอยู่แล้วดืม่มไม่ามาก็อ ย, าาอ ย, าาอยู่ข้างนอกก็ดื่มได้ที่มานี่เพื่อไม่ให้ดื่มนบแล้วถ้าอยู่ไป น, นานๆก็อาจจะเลิกได้ ถ้ามาแล้วเดือมก็อย่ามาดีกว่เสียข้าววัดเปล่าใช่ครับอย่างนี้ก็ไม่ควรให้โอกาสไม่ครับอ่าถ้ามาก็ต้องไม่เดื่มถึงนีมาได้ถ้าจะเดื่มก็ไม่ต้องมาไปอยู่ก็อย <|so|> ู่ข้างนอกก็เดื่มได้อยู่แล้วอย่างนี้มาขอข้าวฟรีวัดกินครับใช่ไหมอย่างนก็ไม่ให้โอกาสพราะวัดยินดีให้ให้ข้าวฟรีกินเพื่อจะได้อยู่หยุดเล่าอย่างนี้ยยินดีให้เข้าใจไหมอ่า นคนที่มาอยู่วัดนี้ก็ต้องถือศีลห้าขึ้นไปอย่างน้อยแเราเป็นวัดปฏิบัติเขาให้ถือศีลแปดด้วยซ้ําแปดไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้มีบันเทิงมหฬารศพอะไรต่างๆไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครวัดเป็นที่มาแก้ปัญหาไม่ใช่มามาต่อปัญหาปัญหาคือการดื่มเหล้ามาอยู่วัดก็เพื่อที่จะเลิกดื่มเหล้าถ้ามาอยู่วัดแล้วดื่มเหล้ามาทําไมมันก็ไม่ได้มาแก้ปัญหา เสียเวลาเปล่าๆแล้วมันจะขัดต่อความรู้สึกนั่นที่ว่าเหมอนกับเราต้องให้ความเมตตาเขาอ๋อเมตต า, าก็ให้ไปแล้วมันก็ไม่เมตตาก็ต้องมีเหตุมีผลสิอย่างนั้นคนฆ่าคนก็เมตตาปล่อยมันออกนอกคุกไปเลยไมใช่ไหอคนทําผิด ก, ก็ต้องเมตตาด้วยกันจับไปขังไว้ในคุกเพราะมันจะได้ไม่ไปทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่น แล้วก็เมตตากับคนอื่นด้วยมันต้องเมตตาหลายๆคนไม่ใช่เมตตาแต่คนทําบาปนี่แล้วทําให้คนที่เขาไม่รู้อื่นีๆต้องไปถูกถูกเขาฆ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมความเมตตามันต้องมีเหตุมีผลเมตตาก็คือไม่ฆ่าเขาไงจับก็ ข, ขังคุกก็พอแล้วถ้าเป็นศาสนาพูดจริงๆก็คงยังไม่มีโทษประหารชีวิตนะ ก็เมตตาให้มันอยู่ไปในคุกนั่นแหละเพื่อมันจะกลับตัวได้ได้มะจไอถ้าไม่ลงโทษมันก็มันก็ไม่เข็ดเลยเข้าใจไมมันต้องมีการลงโทษเพื่อจะได้เป็นการห้ามปรามเพื่อทำให้มันเข็ดลาบจะน่าไม่ทำซ้ำซากเมตตก็ต้องมีเหตุมีผล ถ้าไม่มีเหตุมีผลแล้วมันแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับเป็นโทษขึ้นมา mm hmm. ใช่ไหมคนที่ทําผิดแล้วเราเมตตา mm hmm. เขาให้รงหางวัลเขาอย่างนี้ขึ้นเงินเดือนให้เขาเองพนักงานทํา ง, งานบริษัทรเราแล้วมันขโมยเงินแล้วเรายังขึ้นเงินเดือนให้มันอีกเขาปล่า mm hmm. ใช่ไหมถ้าไล่มันออกก็ว่าไม่เมตตาใช่ไหมต้องต้องเมตตามันก็ขึ้นเงินเดือนให้มันนี่ไม่ได้หรอกมันต้องมีเหตุมีผลค mm hmm. วามเมตตามัน มันต้องมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมตตาอย่างตำรวจไปยิงผู้ลายเนี่ยผู้ลายบาดเจ็บนี่ตำรวจก็ต้องเอาไปรักษาตัวแต่ในขณะที่รักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องมีตำรวจคอยเฝ้า่นั้นเดียวมันก็หนีได้เ็นเรื่องมนุษยธรรมนี้ต้องต้องดูแลกันต้องเลี้ยงมันคนติดคุกยังต้องเลี้ยงข้าวมันเลยใช่ไหมอันนี้ก็เมตตาเหมือนกัน ถ้าไม่มตาก็จับมันขังคุกไม่ต้องให้มันกินข้าวกินน้ำนะนะเมตตามันมีหลายระดับนะมันมีหลายระดับหลายหลายรูปแบบมันไม่ใช่เมตตาเหมือนกันทุกคนไปเข้าใจแล้วน ะ, ะคำถามทาง y o u t u ู e มีไหมถามก่อนอ่าได้อ่าถามก่อ น, น ถามพาจากนะคผมทำงานในร่างการเยินมาครับก็สิบสิบปีแล้วก็มีเงินก้อนวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าต้องใช้เงินแค่เนี้ยพอใช้ถึงตายว่าผมไม่ไม่คนใช้เงินฟุ่มเฟือยตอนนี้ผมจะหยุดยังไงต่อที่เพราะว่ามันเหมือนกับมันมีคิเลยว่าทุกทเดือนได้ตังทุกเดือนได้ตังทุกเดือนได้ตังมันเกิดเป็นความอยากตลอดเวลาอยากจะหยุดจุดนะเราะมันไม่มีความสุขเลยก็เอาเงินที่จะไปทํำตาความอยากไปทําบุญแทนไง นะนะ ท, ทุกครั้งที่จะเอาเงินที่เราได้มานี้ไปเที่ยงี้ก็ไปทาบุญแทนแทนที่จะเอาเงินนี้มาใช้กับตามความอยากก็ไปทำบุญต่อไปมันก็จะมันก็จะเลิก<อ>เลิก อ, อยากตัดความอยาก<ม>ด้วยการเอาเงินไปทำบุญแทน<า>แล้วทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาช่วงแรกอาจจะยากยา ก, ยากมันต้องบังคับเท่านั้นเองถ้าทาบังคับได้แล้วมันจะเห็นผล เพาะเวลาเราช่วยเหลือคนแล้วมันทำให้เราสุขใจดีใจสบายใจดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็หมดหมดแล้วก็อยากเที่ยวใหม่อีกแล้วก็หยุดเลือดกันให้ให้คนอื่นแทนที่จะให้ตัวเราให้คนอื่นไป อ, อยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นก็ได้เป็นของขวัญให้คนอื่น เ, เห็นเขามีความสุขใจแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นม า, าต่อไปเราก็เลิอกอยากซื้อของได้ อัน น, นี้คือหน้าที่ของการทําบุญที่แท้จริงเนี่ยทำบุญเพื่อตัดความอยากของเราที่จะใช้เงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลและจะใช้เงินตามความอยากอยากไปใช้มันเพราะมันเหมือนคิดได้ว่าทําบุญกับทำทานในพระอาจารย์คำเดียวกั น, น, น, กนไง ค, คือบุญมันมีหลายระดับการทําทานนี่ก็เป็นการทําบุญระดับหนึ่ง ร, รักษาศีลนี่ก็เป็นการทําบุญอีกระดับหนึ่งนั่งสมาธินี่ก็เป็นการทําบุญใ น, น, ร, น, น ร, ญระดับ แต่บางทีเราใช้ปนกันเอเวลาเราทําทานนี่เรามักจะใช้คําว่าบุญแทนเพราะว่าเวลาเราทําเราจะไปให้ทานกับพระล้วเรารู้สึกว่าให้ทานพูดให้ทานกับพระนี่มันไม่เหมาะเพราะทานมไม่ต้องเป็นขอทานเราก็เลยหว่อไปทําบุญบางเดียวางเดียวกันให้เหมือนกันให้ขอทานก็บุญเหมือนกันให้พระก็บุญเหมือนกันเป็นการให้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันเองแต่เราเปลี่ยนภาษาหน่อยนั่นเองแต่เหมือนกันพระก็เป็นขอทานดีๆนี่เอง อยู่ได้เพราะการให้ของคนอื่นขอทานมันก็อยู่ได้เพราะการให้ของคนเองต่างตรงที่พระมีศีลขอทานไม่มีศีลพระทําประโยชน์แต่ขอทานอาจจะไม่ได้ทําประโยชน์เหมือนพระได้ทําตลอดระยะเวลาที่รูปตัวศีลแปดเนียค่ะแล้วก็ปฏิบัติเรื่องนั่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนไม่แยกกายกับใจช่วงระยะเวลาที่นั่งแล้วรู้สึก ร่างกายมันกำลังจะแตกเป็นสิ่งเสียงก็พยายามเอตอนนั้นก็ต้องปล่อยให้มันแตกแล้วใจก็จะได้แยกออกจากร่างกายได้ถ้าไม่ยอมให้มันแตกมันก็ยังติดอยู่กับร่างกายถ้าเรายอมปล่อยให้ร่างกายแตกก็แสดงว่าใจเราทิ้งมันแล้วใจก็แยกออกจากร่างกายไปเจ็วันที่ผ่านมาเหลืออีกสินาทีก็จะครบอ่าแล้วก็จะต้องฝึก ล้างฝึกไปจังกว่มันจะปล่อยได้ร่างกายมันจะแตกมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ให้มันเจ็บมันปวดไปถ้ารู้สึกว่ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วถ้าเราปล่อยมันได้ปั๊บนี่ใจเราก็จะเหมือนกับแยกออกจากร่างกายไปไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปใจจะเย็นใจจะสงบจะสบายเจ็ดวันนี้มีวันเดียวที่ปล่อยได้ค่ะนอกนั้นก็ยังไม่ได้เราก็ต้องหัดทําไปเรื่อยๆทำบ่อยๆ พ่ามันจะเป็นประโยชน์เวลาต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเราใกล้าตายใจเราจะได้สงบไม่ทุกข์กับมันมแต่มีความสุขแทนที่จะแทนที่จะทุกข์เวลาตายกับมีความสุขเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะทุกข์กับไม่ทุกข์กับมีความสุขได้<ม>ถ้าเรารู้จักแยกใจออกจากร่างกาย<ม>คือปล่อยวางร่างกาย เอาแล้วนะทีนี้ทางทางบ้านคำ ถ, ถามจากทาง Facebook Live คำถามจากคุณป๊อปบ้านสวยผมอยากออกบวชแต่มีหน้าที่ต้องรับผิด ช, ชอบดูแลพ่อกับแม่ทำให้ต้องห่วงแต่เราปฏิบัติอยู่กับบ้านจะทำให้เข้าใจทำมากขึ้นหรือเปล่าครับคือปฏิบัติที่ไหนก็ได้ตอนต้นเนี่ยมันจะไม่จาเป็นจะต้องไปบวชตอนต้นหัดปฏิบัติที่บ้านก่อนก็ได้ เหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยตอนต้นเราก็ปลูกไปในกระถางก่อนก็ได้แล้วพอต้นไม้มันเริ่มโตเต็มที่แล้วมันถ้าอยากจะให้มันโตกว่า น, นั้นก็ต้องย้ายออกจากกระถางเอาไปลงดินต่อตอนที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้เราปฏิบัติที่บ้านก็ได้แต่พอถึงขีดนึงแล้วเราจะรู้ว่ามันจะไม่ก้าวหน้าไปกว่า น, นี้แล้วถ้าเราอยากจะก้าวหน้าไปกว่า น, นี้เราก็ต้องไปปฏิบัติที่วัด เราก็ไปแบบชั่วคราวก่อนก็ได้เราไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ตลอดทุกวันใช่ไหมเราก็อาจจะแวะไปสักครั้งละสามวันมั่งห้าวันมั่งเข้าเข้าออกออ ก, ออกไปหรือหาวิธีที่หาคนมาดูแลพ่อแม่แทนเราเราไม่ต้องดูแลก็ได้ตามใดที่มีคนดูแลแทนเราได้ก็เหมือนกันเช่นเราจะจ้างคนมาดูแลก็ได้ถ้าเรามีเงินทองแล้วเราก็จะได้เอาเวลานี้ไปปฏิบัติของเราได้ สมทรงค่ะหนูสอบใบขับขี่ไม่ผ่านค่ะตื่นเต้นเวลาขับทุกครั้งตอนนี้หนูทําสมาธิดีขึ้นอุเบกขาได้แต่ก็กังวลค่ะมีความอยากได้ใบขับขี่หนูต้องลดความอยากไหมคะอะ่ก็ทําใจดีกว่านะทําใจเฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแล้วก็ตั้งใจมีสติกับการขับเวลาขับอย่าไปอยากให้มันได้ เวลาขับให้มีสติอยู่การขับแล้วมันจะได้เองทำให้มันถูกต้องแล้วผลนั้นก็จะออกมาดี <c oughs> งั้นเวลาขับเวลาทำเวลาสอบก็ให้มีสติอยู่กับเวลาที่เรากำลังสอบอยู่กำลังขับรถก็ขับให้มันดีมีสติเขารกดจราจร อ, อ, อ่านกฎจราจรต่างๆให้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้รู้จักวิธีขับรถที่ถูกต้องว่าขับอย่างไร แล้วก็ขับไปตามที่เราได้ฝึกฝนมามันก็จะได้เองแต่ถ้าเราไปอยากไปอยากมันก็จะทำให้เราบางทีไม่ได้อยู่กับการขับรถแล้วก็ไปอาจจะทำไม่ถูกตามกฎที่เขาสอนก็ได้คาถามจากคุณนันทนาการลักเพศตรงข้ามมีมิตรภาพต่ อ, ตอกันแต่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันผิดศีลข้อแปกผิดศีลแปดข้อรักษาพรหมจรรย์ไหมคะ ไม่อแล้วคำว่าพรหมจรรย์นี้ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างพระเนี่ยถือศีลพรหมจรรย์พระไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีไม่ร่วมหลับนอนกับใครแต่เรียกว่าเป็นศีลพรหมจรรย์ถ้าร่วมหลับนอนกันถ้าเป็นของสามีภรรยาก็ถือว่าไม่ผิดประเพณีวิถูกต้องประเพณีถ้าอยากจะร่วมหลับนอนก็ต้องหลับนอนกับคนที่ก็เป็นสามีเป็นภรรยาเรา แต่ถ้าเราไปหลับนอนกับคนที่ไม่เป็นสามีภรรยาก็ถือว่าผิดประเพณีคำถามจากคุณชินค่ะทานศีลภาวนาเป็นการกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่งศีลสมาธิปัญญายมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะก็ศีลก็ศีลก็ศีลอยู่แล้วทำศีลมันก็ได้ศีลภาวนาก็คือสมาธิกับปัญญาไง ว่าภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาแปลว่าสมาธิความสงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงคือปัญญามันก็เหมือนกันศีลภาวนาก็คือศีลสมาธิปัญญาอีกข้อหนึ่งค่ะและการทําทานรักษาศีลแปดและการเจริญภาวนาเพื่อให้ได้ซึ่งสติ นี่ตกอยู่ในความอยากทั้งสามคือการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาเข้าใจถูกไหมเจ้าคะใช่การภาวนานี้ก็เพื่อกําจัดความอยากต่างๆกําจัดการ ม, มตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเพราะเวลาใจสงบแล้วมีความสุขมีความอิ่งจะไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากจะดูอยากจะฟังอะไรมันก็จะตัดความอยากไปได้คำถามจากคุณพีโก สัตว์เลี้ยงบ้านคนรวยอยู่ดีกินดีแถมมีบริวารอาบน้าให้อดีตชาติทำอะไรมาหรือครับทําบุญไงแต่แต่ไม่ได้รักษาศีลบุญนี่แหละที่จะทําให้เราไปอยู่สุขสบายไม่ว่าเราจะไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นมนุษย์ถ้ า, ถาเรารักษาศีลด้วยทําบุญด้วยเราเวลามาเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ล่ําด้วยแตถ้าเราทําบุญแต่เราไม่รักษาศีลตายไปเรายังกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ เราต้องไปเป็นเดราชฉานก่อนอาจจะไปเป็นปลาสวยๆเป็นแมวสวยๆเป็นหมาสวยๆคนรวยเขาก็ซื้อไปเลี้ยงก็เกินสรุปก็คือทาบุญแต่ไม่ได้รักษาศีลหมามันก็ไม่มีศีลใช่ไหมหมามันอยากจะกินอะไรมันก็กินใครทิ้งของอะไรไววางไวมันก็คาบไปกินได้มันอยากจะหลับนอนกับใครมันก็ไม่เลือกว่าเป็นแฟนมันหรือเปล่า คนที่ไม่ถือศีลก็เป็นแบบก็เรียกว่าเป็นเดรัจฉานหนึ่เหมือนกันครับคนที่ถือศีลก็ไม่ถือศีลอย่างพวกผิดประเวณีก็เหมือนกับหมาใช่ไหมเนี่ยไปเที่ยวตามบาร์ตามผับแล้วก็เลือกกันจะเอาคู่ไหนชอบกันตรงไหนก็เลือกกันก็เหมือนหมาที่มันไปเดือนเก้ามันไปเป็นฝูงอะ่ะแล้วมันก็ไปเลือกกันไปแย่งกันแบบเดียวกันเรียกว่าพวกผิดประเวณีนี่นมักจะไปเป็นเดรัจฉานกัน เรื่อไปรักขโมยข้าวของของคนอื่นก็กินเนี้ก็เป็นเดรัจฉานคําถามจากคุณหมีแพนด้าค่ะผมนําข้อความธรรมะของพระสงฆ์ท่านต่างๆที่ที่สอนหลักคําตามเหตุผลให้คุณพ่อคุณแม่อ่านแบบนี้ถือว่าเราถือดีสอนพ่อแม่หรือเปล่าครับอ๋อไม่หลัก เ, เรียกว่าเป็นธรรมทานไงเราเอาธรรมะมาให้พ่อแม่ แล้วแต่พ่อแม่จะอ่รือไม่อ่านนแต่เราอย่าไปบังคับท่านก็นแล้วกันบอกว่ามีของดีมาฝากให้ไปเหมือนค่ายของขวัญอะไรอย่างนี้ส่วนพ่อแม่จะอ่านไม่อ่านนี่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอย่าไปบังคับก็แล้วกันบังคับก็เหมือนกับจะไปสอนพ่อสอนแม่ให้อ่านคําถามจากคุณอังพายลูกชายบนให้พ่อหายป่วยแต่ยังไม่ได้แก้ จะทำสังฆทานชุดใหญ่แทนได้ไหมคะไม่ได้หรอกเราบนอะไรไว้เราก็ต้องทำตามที่เราบ่นเลยเหมือนกับเราไปสัญญากับใครไว้แล้วพอถึงเวลาไม่ทำตามสัญญาเราก็ผิดศีลละโกหกหลอกลวงละแ mm hmm. ทนที่จะได้บุญกลับได้บาปแล้วเนี mm ่ย hmm. นั้นเราบนอะไรไว้เราก็ต้องทำถ้าเราไม่อยากจะทำก่อนจะบนก็คิดให้ดีก่อนมาบนแล้วเราทาได้หรือเปล่าถ้าบนแล้วทำไม่ได้อย่าไปบน่น เดี๋ยวเราจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปต่อไปเทวดาจะไม่เชื่อเรานะต่อไปจะวนไปบนใหม่เขาจะไม่เขาจะไม่ช่วยเรานะ<ม>คนยิงมันไม่มีหรอก<ม>เทวดงเทวดาที่มันจะมาทําตามที่เราบุญแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเอง<ม>เราต้องมีศีลมีสัตย์กับตัวเราเองด้วยไม่ใช่กับคนอื่นอย่างเดียว<ม>เราก็ต้องไม่โกหกตัวเราเองไม่หลอกตัวเราเอง เพราะจะทําให้เรากลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ได้ต่อไปตั้งใจจะทําอะไรก็จะทําไม่สําเร็จเพราะตั้งใจแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจโกหกตัวเองว่าตั้งใจจะทําอย่างนี้พอถึงเวลาทําจริงๆเอายากหน่อยก็ไม่ทําอันนี้ก็เหมือนกันไม่บนอะไรว่าแล้วเดี๋ยพอถึงเวลาจะบนรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่เอายจะเอาของง่ายทําของง่ายแทน นั้นควรจะทําทตามที่เราบุเนีะไม่ใช่เพราะว่ามีเทวดาหรือใครมาช่วยเราบุญหรอกแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยของเราเองที่เราควรที่จะอย่าให้มันเป็นนิสัยไม่ดีบุญอะไรแล้วไม่ทําตามที่เราบุญก็เหมือนกับไปสัญญากับใครเขาไว้แล้วไม่ทําตามที่เราสัญญาก็เหมือนกับเป็นการไปหลอกลวงเขาคําถามจากคุณไอเดียค่ะ คือตอนนี้หนูคิดว่าอยากมีเงินให้มากพอเพื่อจุนเจือครอบครัวเราคิดว่าเมื่อเรามีมากพอให้ครอบครัวแล้วสามารถเอามาทานุบำรุงศาสนาเอาไปมอบให้คนยากไร้ได้โอกาสกว่าเราได้มากขึ้นคิดถูกหรือไม่เจ้าคะคิดอย่างนี้ไม่ถูกหรอกการจะทานุบำรุงผู้อื่นนี้ควรจะทำตามที่เรามีอยู่จะดีกว่า ตอนนี้ถ้าเรามีไม่มีเงินที่จะไปทำบุญก็ไม่ต้องไปหาเงินมาเพื่อจะมาทำบุญการทำบุญนี้มีสำหรับคนที่มีเงินแล้วไม่รู้จะทำอะไรกับเงินนี้หรืออย่างเหมือนคนที่เมื่อกี้เขาบอกมีเงินแล้วก็ไปทาตามความอยากนี่เอาเงินที่จะไปทำตามความอยากนี้ไปทําบุญแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราอย่าไปหาเงินมาทำเลยมันเหมือนกับเดินในวนในอ่างเข้าใจหควรที่จะ ไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าเอาเวลาไปสร้างบุญที่ดีกว่าบุญที่ได้จากการทำทาบุญคือไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมหรืออยู่บ้านก็ได้นั่งสมาธิเอาเวลาที่จะไปหาเงินนี้มานั่งสมาธิจะดีกว่ามาเอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมจะได้บุญที่สูงกว่ามากกว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าทาทานก็เหมือนกับเอาไปหาเงินมาเพื่อมาทำบุญทาทานนี่ก็เหมือนกับไปหาแบงค์ยี่สิบเนี่ย แต่ถ้าไปนั่งสมาธินี่ไปฟังเทศน์นี่เหมือนไปหาแบงค์ร้อยไอแบงค์พันนี้มันมันได้มากกว่ายัอย่าไปเสียเวลากับการไปหาเงินเพื่อมาทำบุญเลยเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าคำถามจากคุณสุรพลผมสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นแล้วถ้าผมไม่คิดตามปรุงแต่งต่อแล้วความคิดความโกรธจะเบาระดับไปเอง เป็นผู้ดูความคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไมค่ครับหรือควรเอาพุทโธภาวนาทับความคิดที่เกิดขึ้นไปเลยดีกว่าครับก็ได้ทั้งสองอย่างวิธีไหนที่ดับความทุกข์ดับความโกรธดับความโลภได้ก็ใช้วิธีนั้นไปเป้าหมายก็คือให้เราสบายใจเราไม่ทุกข์เราไม่โลภไม่อยากไม่โกรธก็ใช้ได้คําถามจากคุณป้อมค่ะ เมื่อก่อนลูกมีความทุกข์เรื่องลูกมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ลูกคิดว่าเดี๋ยวทุกเรื่องก็ผ่านไปและใช้ท่องพุโทโธทําให้ใจสบายขึ้นและพยายามรักษาสินห้าให้ครบในแต่ละวันลูกทำถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วแต่ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็ต้องหัดนั่งสมาธิด้วยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะได้ความสุขได้บุญมากขึ้น คำถามจากคุณคาหายาเมื่อจิตไหลไปคิดแล้วรู้รู้ว่าเป็นอกุศลด้วยเราต้องทําอย่างไรต่อและบาปไหมครับก็หยุดคิดเนีะถ้าหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธช่วยรู้ว่ากําลังจะไปขโมยเงินเข้าอย่างนี้ก็ก็หยุดอย่าไปคิดเรื่องการขโมยเงินของผู้อื่นถ้ายังคิดอยู่ก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปทุกครั้งมันคิดจะไปขโมยเงินก็ให้พุทโธพุทโธไป แล้วเือมันก็จะหยุดคิดเรื่องการที่จะไปกโมยยกันได้หมดแล้วยังอเอาอีกขึ้หน่อยก็ได้คำถามจากคุณรักการค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าการเจริญปัญญาคือทำอย่างไรอยากขอความกระจ่างค่ะคือการเจริญปัญญาก็ให้เรามองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ <c oughs> ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรไม่ว่าเราจะได้อะไรมา สักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปมันจะต้องจากกันเรียกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นรูปสรสะะเสียงกลิ่นรสราบยนต์สรรเสริญนี่ยมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปเมื่อมีการพัดภาคจากกันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากได้เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันหมดมันจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับการไม่มีราบยนต์สรรเสริญได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับมัน นี่คือปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งจะต้องจากกันนี่คือปัญญาคือเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หมดแล้วยังเอาแค่สองคำถามมาแล้วกันไปหน่อยถามจากคุณปาริชาต ทำไมทุกวันนี้หนูนั่งสมาธิแล้วหนูไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรแต่เห็นเหมือนสีเทานิ่งมากๆแต่ก็จะเห็นสลับกับสีเหลืองเป็นแสงสว่างแสบตาแล้วก็หายไปแต่หนูไม่ได้รู้สึกอยากตามเห็นตามรู้หนูควรทำอย่างไรครับเพราะหนูรู้สึกไม่มีความสุขคะ่ะอ๋อก็อย่าไปสนใจกับสีที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นให้เรากลับมาที่ลมหายใจแล้วกลับมาที่พุโทโธ แล้วให้มันพาเราเข้าสู่การตกหลุมตกบ่อแล้วเราจะพบกับความสุขถ้าจิตมันตกลุมตกบ่อแล้วมันจะเบา อ, อกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พุโทโธไปเรื่อยๆหรือดูลมไปเรื่อยๆมีสีมีอะไรมาให้เห็นก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปถึงจุดนั้นเองอีกคถามหนึง่งคำถามจากคุณนก ลูกที่เคยว่านอนสอนง่ายเมื่อเขายังตอนเป็นเด็กโตขึ้นเริ่มไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ อ, อต้องแก้ที่ใจเราเนะี่ะคือเราต้องรู้ว่าเป็นธรรมชาติของเด็กของคนเมื่อเริ่มจเจริญเติบโตเขาก็จะเริ่มเป็นตัวของเขาเองมากขึ้นมากขึ้นก็ถ้าเขาไม่ไปทําในสิ่งที่เสียหายก็อย่าไปกังวลนี่ถ้าเสียหายหรือก็ห้ามเขาถ้าห้ามไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไป แต่เรามีหน้าที่เพียงแต่คอยห้ามปรามหรือคอยสั่งสอนเท่านั้นถ้าเขาเชื่อเขาฟังตามที่เราสอนเขาก็จะได้ดีถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะต้องไปได้รับข้อกรรมต่อไปอันนี้เราก็ห้ามเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาทำตามที่เราสั่งที่เราบอกแล้วเขาไม่ทำเราก็จะเสียใจเราอาจจะโกรธเกลียดเขาก็ได้แล้วแทนที่จะรักกันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข เราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนว่าเมื่อตอนเด็กเขาเล็กเขาทั่วช่วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้เขาก็จะเชื่อฟังเราเราบอกให้ทำอะไรก็จะทาตามแต่พอเขาเริ่มทำอะไรได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็อยากจะทำของเขาเองเขาก็ไม่อยากจะฟังเรายิ่งโตขึ้นไปยิ่งยิ่งเป็นตัวเขามากขึ้นมากขึ้นเราก็เหมือนกันตอนที่เราเป็นเด็กเราก็เหมือนกันมองมองกลับมาที่ตัวเราดูเราก็เหมือนกันพ่อแม่เขาก็ปวดหัวกับเราเหมือนกัน หรืออาจจะไม่มากเหมือนกันท่านเราอาจจะเป็นคนเชื่อฟังผู้ใหญ่ก็ได้แต่ถ้าก็ไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาห้ามไม่ได้เรามีหน้าที่สอนก็สอนไปมีหน้าที่ห้ามก็ห้ามไปส่วนก็จะทำตามไม่ทำตามนี่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้บังคับเขาก็จะโกรธเกลียดเราเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะหนีออกจากบ้านไปก็ได้เมื่อเขาอยู่กับเราก็าไม่มีความสุขเราก็ไปได้เขาก็จะไปทันที อย่างอย่าทำถึงขีดนั้นอย่าไปทําถึงจุดที่จะต้องโกรธกันเกลียดกันไม่เกิดประโยชน์ทําเท่าที่พอสมควรทางสายกลางไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปทําแล้วยังมีความรักกันอยู่ไม่โกรธไม่เกลียดกันเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้คําถามพออก็ขอให้ท่านทรงนําเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติ